เ, เหมือนสำคัญนะที่ทําไมเราควรจะมีความตายเพก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีความตายความตายก็ไม่เป็นี่กับเราความตายก็จะกลายเป็นปฏิสัตมเป็นอริส ก, กับเราแล้วก็จะคอยหลอกหลอนบีบั้นทึ่มแทงกดดันเราจนอาจจะคิดไม่ได้น้อยไม้หลับ าการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่เต็มใีกับความตายเรารู้สึกลบต่อความตายเวลาเราโกรธเกลียดใครเนี่ยสังเกตไหมเรากำลังให้เขาเนี่ยมามีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของเราเราโกรธเกลียดเรา เราโกรธเกลียดในกรในคอเนี่ยนะ ย, ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งเขา้ามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราแค่ได้ยินเสียงเขาเราก็เกิดความรุ่มร้อนในใจนบางทีเขาไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะเพีแค่เห็นหน้าตาเขาเนี่ยเราก็รู้สึกขัดเคืองเป็นทุกข์ในใจ ความผู้ในใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีความรู้สึกในทางลบต่อเขานะความกลัวก็เหมือนกันนะทุกแกนี่ไม่น่ากลัวเลยนะแต่พอกลัวทุกแกแล้วก็เห็นแล้วก็ประว่าบางคนกลัวกลัวเข็มฉิดยากลัวเข็มเย็บผ้าเจอเข็มเย็บผ้าโอ้โหหัวใจเต้นเลยนะบางคนกลัวลูกโป๊ อันนี้เรียกเป็นแพลตฟอร์มเดียพอกัวลูกโป่งเนี่ยเห็นลูกโปงนี่นะถ้าจะเป็นลงความกลัวก็ดีความโกรธก็ดีความเกรดก็ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับอะไรเนี่ยมันคือการเชื้อเชิญให้สิ่ง น, นั้นเนี่ยมามีทุกคนในทางลบคือยัดเยีดยดความทุกข์ให้กับเรางั้นถ้าเราไม่เป็มีกับความตายเนี่ยเรา เรากลัวเราเกลียดความตายเนี่ยเรารู้สึกว่าความตายเนี่ยเป็นเป็นอันตรายเป็นปฏิบัติกับเราเนี่ยทันที่ทันใดนั้นเองความตายก็จะกลายมาเป็นอันตรายนะกลายมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของเราแต่เมื่อกรตาที่เรานะรู้สึกเป็นบวกต่อความตายหรืออย่างน้อยเนี่ยรู้สึกเฉยเฉับความตายเนี่ย ความตายก็จะไม่เป็นภัยต่อจิตใจของเราอาจจะยังมีทิพละต่อชีวิตของเราเหมือนกับความแก่เมือ่อความเจ็บแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ในแง่ของจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะให้ความตายเป็นศัตรูกับเรา เราก็ต้องเริ่มจากการที่อันมาเป็นมิตรกับความตายก่อนแล้วความตายก็จะกลายมาเป็นมิตรกับเราประการที่สองก็คือเราเห็นว่าความตาย้เนี่ยมันสามารถจะก่อให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตจิตใจของเราได้คนเราเนี่ยเมื่อมองเห็นความตายในแง่เดียว ก็โจ้กเสือความตายนั้นน่ากลัวเรามักจมะมองความตายคือวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดแต่น่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นอีกด้านของความตายความตายเนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราได้ อาจารย์พูท่าพูดอยู่เสมอว่าตอนจะตายเนี่ยมันคือนาทีทองชี้นาทีทองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในที่ห้างสับปะสินท้านตอนที่จะมี midnight sale นะแต่ความตายเกิดขึ้นตอนที่แต่นาทีทองเกิดขึ้นตอนที่ความตายมันกำลังเคลื่อนเข้ามาหาเราตรงนั้นแหละเป็นนาทีทองเพราะเห็นว่าสามารถจะ เปิดใจของเราให้เห็นแจ้งในศัจธรรมความจริงได้ภาษาฝรั่งเรียว่า moment of truth ก็คือว่าโมงยามแห่งศัจธรรมถ้าอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมเ่วจนพ้นทุกข์ก็ตอนที่กำลังจะตายบางท่านป่วยหนะนักมีทุกขเวทนาแรงกล้าบางท่าน กำลังถูกเสือกัดนะขณะที่ทุตดงบางท่านถูกไฟคลอบและบางท่านเนี่ยเห็นสจะทำตอนที่เอามีดปาดคอตัวเองแล้วด้วยซ้ำนะอย่างพระโคติกาท่านหรือพระสัพพทาสาเทระนะพระฉันนะท่านเหล่านี้เนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยตอนที่กำลังจะตาย และตอนนั้นเองเนี่ยที่ความตายได้เผยสัจธรรมโดยเพราะเขาไตารักอนิจจังทางองนันตาในยามที่มีสติเปิดใจรับรู้สัจธรรมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญญาจนรู้ธรรมหลุดจักความทุกข์เนี่ยมันมีสูงมากจะเรียกยันก็ได้ว่าความตายเป็นหน้าต่างโอกาสซึ่ง คนที่เข้าใจเรื่องความตายดีเนี่ยจะเห็นนะโอกาสตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรารู้จึงความตายาเนื่องจากเรารู้ไม่จริงเราก็เลยกลัวนะเพราะเห็นแต่ด้านลบของมันนะแต่ถ้าเรามองหรือรู้จักความตายทั่วถึงเนี่ยเราจะพบว่าความตายสามารถจะนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตจิตใจของเราได้ หลายท่านอาจจะไม่ได้พูดถึงขั้นการบรรลุธรรมนะแต่ว่าก็เพราะว่าความเมื่อเวลาที่ความตายใกล้เข้ามาเนี่ยจิตใจรู้สึกสงบลงหลายคนเนี่ยพบ ก, กับความสงบในจิตใจเนี่ยตอนที่เป็นโรคปลายแล้วก็รู้ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยเหลืออีกไม่นา น, เ, นเพื่อตอมาเนี่ยสุภาพรเนี่ยเธอเล่าว่าตอนที่ช่วงสองปีสุดท้ายของเธอเนี่ย ก่อนที่จะเจอจะตายด้วยโรงมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากเป็นช่วงที่เธอมีจิตใจสงบนะอย่างที่ไม่เคยประสบมา ก, ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เธอได้ได้เรียนรู้การปล่อยวางคนเราเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่เจอความตายเนี่ยหรือว่ายังไม่ยังไม่ตระหนความตายใกล้ประมาณเนี่ยเราก็จะยังยึดติดอะไรต่ออะไรมากมายแต่พอรู้ว่า เวลาเราเหลือน้อยชีเราใกล้จะยุติแล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงความไร้สาระของการที่จะยึดติดอะไรต่างๆมากมายโดยเพรา ะ, ะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศนะและพอปล่อยวางเนี่ยนะใจก็จะสบายใจก็จะสงบหลายคนได้พบว่า เมื่อความตายก็เข้ามาเนี่ยการคืนดีก็เกิดขึ้นสามีที่เคยเหินห่างหมางืวยกับภรรยานะก็กลับมาคืนดีกันลูกที่มีเรื่องทะเลาะว่าแวง้งกับพ่อแม่ก็กลับมาคืนดีกันเพื่อนสนิทที่อันหลังให้กันมานานนะผิดใจกันในที่สุดก็กลับมาขอขามาขอโอโหสิ มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยกับผู้คนมากมายตอนที่ใกล้ตายเพื่อนเขาตะนาคุณบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาที่แม่กำลังจะตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยที่เขาจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแม่นั่นคือการดูแลเยียวยาท่านจะเรียกว่าเกิด24ชั่วโมงในเขาว่าได้ การที่ได้ดูแลแม่ตอนที่แม่จะตายเนี่ยมันสําหรับเธอแลนะ้วมันคือสิ่งที่ดีสุดนะที่เธอไม่เคยทํามาก่อนและเธอก็เป็นยิ่งว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดแม่มากเป็นช่วงเวลาที่ความผูกพันระหว่างกันเนี่ยได้กระชับแน่นะได้บอกเลาเหตุการณ์ทุกวันบอกใาเหตุการทุกคืนนะถ้าแม่ไม่ป่วยถ้าแม่ยังหางกลความตายเนี่ยให้ประสบการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราเรามองให้ถ่องแท้นี่นะเราจะพบว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างเดียวนะมันสามารถจะนำพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะกับชีวิตจิตใจของเราได้ไม่ว่าความตายของเราเองหรือความตายของคนที่เรารักอันนี้คือเหตุผลสอบปากการนะว่าทำไมเนี่ยเราจึงควรเป็นนกับความตาย แล้วถ้าเราเป็นเมื่ความตายได้เนี่ยนะจิตใจเราจะเบา เ, เราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเพราะในยามที่เราเองใกล้าตายก็ดีในยามที่คนนักของเราใกล้าตายก็ดีเป็นเพราะความกลัวเพราะความตื่นตระห น, นอกต่อความตายทั้งของตัวเองและของคนรังเนี่ยทำให้ผู้คนจำน น, นมากเนี่ยปล่อย โอกาสทองให้หลุดลอยไปโอกาสทองที่จะได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองโอกาสที่จะทาสิ่งดีๆให้กับคนรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เราหันมาเป็นเรื่องความตายเนี่ยนะมันจะไม่ดีกับใครเลยนะมันจะเปลี่ยนแปลงมนะุมมองเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงท่าทีของเรา ทั้งต่อตัวเองต่อผู้อื่นต่อโลกตอนนี้เราจะเป็นมีนความตายได้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องความตายดีพอเราต้องอหันมาเรียนรู้เรื่องความตายอย่างจริงจังแต่ทุกคนทุกวันนี้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยพอพูดถึงความตายก็อุดหูนะ ไม่อยากฟังพยายามที่จะหันหลังให้ความตายพยายามที่จะหนีความตายต้อคนเราหนีความตายได้มันก็หน้าหนีแต่พวกเราก็รู้ว่าไม่มีใครหนีความตายได้ผลความตายต้องเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งแทนที่เราจะหันหลังให้ความตาย แล้วก็มีมีความตายอย่างไม่อย่างไร้ผลเนี่ยเรามาหันหน้ามากระเช้าความตายดีกว่าและนี่เป็นหนึ่งที่เราต้องไปนมืความตายเพราะว่าไหนสุดเราต้องเจอความตายยังไงก็ตามยังไงก็ในเมื่อจะต้องเจอแล้วขอให้เจอมิตรดีกว่าเจอศัตรูนะคนเรากลัวความตายเพราะอะไรเรากลัวความตายเพราะเราไม่รู้ ความไม่รู้เนี่ยเป็นที่มาของความกลัวทั้งมดมีนักวิทยาศาตร์คนหนึงชื่อมาริคูรีจะพูดว่าในชีวิตที่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจหมายความว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่กลัวอันนี้ก็ตรงกับคาสอนของพุทธศาสนาว่าความกลัวเกิดขึ้นเพราะมีโมหะมีวิชา อนนี้เมื่อเรามีปัญญามีวิชาเนี่ยความกลัวก็หายไปและบรรดาความกลัวทั้งหลายเนี่ยกลัวตายนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในความสุขคนทั่วไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความกลัวความกลัวตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายซะอีก ผู้ใหญ่เนี่ยคือว่าความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายส่วนใหญ่จริงที่เรากลัวนะมันเลวร้ายน้อยกว่าความกลัวสิ่งนั้นหลายคนกลัวความล้มเหลวแต่จริงแล้วความกลัวล้มเหลวเนี่ยน่ากลัวความล้มเหลวสิหลายกลัวกลัวความแก่แต่จริงความกลัวแก่เนี่ยน่ากลัวความแก่สิหลายคนกลัวอ้วน แต่ความอ้วเนี่ยน่ากลัวน้อกว่าค ว, ความกลัวอ้วนสิใช่ไหมฮะแล้วความตายก็เหมือนกันนะมันน่ากลัวน้กวความตายในสิ่งที่เราควรจะใส่ใจเนี่ยนะก็คือการมาจัดการความกลัวตายไม่ใช่หนีความตายแต่มาจัดการในที่นี้เนี่ยก็มาถึงการรู้เท่าทันและรู้เท่าทันถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้จัก นะความตายยูดพอความกลัวตายก็หมดไปนะอันนี้เหตุผลว่าทําไมเราควรจะควรมาเรียนรู้เรื่องความตายนะที่ทางคือแบบพฤติการและเสษตรสิขาลายเนี่ยได้ทําโครงการประชิมความตายสมบเนี่ยจุดหมายสําคัญก็คือเพื่อให้เราได้เรียนรู้เรื่องความตายและถ้แเรียความตายอย่างรอบจ้าอย่างที่จะมาพูดมาตอนต้นเนี่ยเราจะพบว่าความตายเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเล ย, เลย มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ตายอย่างสงบ ม, มีแม่ชีท่านหนึ่งนะท่านก็มาบวชตอนที่อายุห้าสิบสองแล้วบวชได้สักสิบปีแล้วก็โรคกระจำตัวคือโรคเบาหวานสถานการก็หนักมากเลยนะหมอมาตรวจหมอเาบอกว่ายังอยู่ได้อีกนานแม่ชีบอกคุณหมออย่ามาปลอบใจฉัน คือูอาการท่านดีไม่กี่วันหลังจากนั้นนะอาการก็หนักแต่ว่าดูเหมือนคนปกตินิมนต์พระมานิมนต์พระที่รู้จักมาบอกว่าขอนิมนต์มาสวดหน่อยพระท่านก็พอมาถึงแม่ชีก็บอกเลยนะว่านิมนต์สวดบทไหนบ้างเพราะว่าแม่ชีนี่จําบทสวดได้ดีจําธรรมบทได้ทั้งหมดนะ แม่ชีนี่ชื่อแม่ชีตอนเป็โยมเนี่ยชื่อคุณหญิงใหญ่พิเศษธรรมศาสตร์หนังสือของท่านเนี่ยคนเคยเข้าใจว่าเป็นหนังสือที่แต่งโดยหลวงปู่มั่นเพราะว่าความมุกซึ้งมากพอพระสวดจบก็สนทนารธรรมกันสักพักแล้วท่านก็บอกพระว่าดิฉันขอถึงสังขารไว้ที่นี่ แล้วกราบพระอย่างสมรวมพอกราบจบก็ล้มฟุบตรงนั้นเลยพระท่านอุทเพราะว่านี่ตายแล้วจริงๆเหรอไปแล้วเป็นการจากไปที่ที่ที่ที่นุ่มนวลมากนะถามว่าไม่ปวดเหรอไม่เจ็บเหรอต้องปวดต้องเจ็บแน่นอนนะแต่ว่าใจนิ่งนะเพราะว่ามันเป็นแค่อาการทางกาย แล้วก็ไม่ได้กลัวความตายนะเจเนีนเยวความตายของคนที่ไม่กลัวเนี่ยนะเป็นการตายที่มดางามมากและบางครั้งเนี่ยความทุกขเวทนามันจะแรงกล้าอย่หลวงพ่ออาตมาหรือพลวงพ่อคเขียนเนี่ยก็เป็นมะเร็งหรือหวงพ่อคเขียนสุวรรณนนท์เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เนื้อเนี่ยเนื้อมันก็มันก็บวมขึ้นมาจนกระทั่งปิดหลอดอาหารตอนลังก็เริ่มปิดหลอดลม ก็ประทังได้ด้วยการจ่อคอเพื่อที่จะช่วยในการหายใจแต่เช้าวันหนึ่งเนี่ยตีห้าตีสี่เนี่ยท่านปลุกพระเพราะว่าไอ้หลอดหลอดลมเนี่ยมันเริ่มจะติดแล้วไอ้ที่เคยที่เคยจ่อเอาไว้เนี่ยมันก็กำลังจะถูกตันออกลูกศิษย์ก็ช่วยกันช่วยกัน ฉีดยาใส่ยาเพื่อทําให้เนื้อเนี่นยมันมันถดตัวลงแล้วทําให้หลอดลมขยายตัวขึ้นแต่ไม่สําเร็จนะการที่กันทือลงมือกันอยู่ตั้งแตนะ่หายตัวหายใจก็เรียกว่าหายใจได้ยากยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆท่านก็ขอเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำเสร็จท่านก็ล้างมือล้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาบนเตียงทั้งัมดที่ท่านทําเองหมดนะโดยที่ทั้งที่ตอนแรกลมหายใจเนี่ยมัน มันน้อยเต็มทีแล้วพระที่ดูแลก็ก็มารุมมาตุ้งกับท่านใหม่ท่านก็เลยขอบปากกาขอดินสอแล้วขอกระดาษและเขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายคือท่านรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์แล้วแล้วท่านก็ยื่นกระดาษให้เส็แล้วท่านก็พนมมือทีแรกพระก็ไม่ว่าท่านพนมมือขอบคุณเพราะว่าท่านทํานี้เป็นประจำมาลุ้ทีหลังว่าท่านพนมมืออะไ นะเสร็จแล้วท่านก็พอทำนิสพัทธ์ท่า น, านขอบพับแล้วก็หมดลงตอนที่ท่านเนี่ยหายใจไม่ได้แล้วนะคนธรรมดาที่หายใจไม่ออก จ, จะทุรนทุรายมากแต่ว่าท่านนิ่งมากอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแบบอย่างนะเป็นตัวอย่างของคนที่ยอมรับความตายเป็นคนที่ไม่ได้มองความตายเป็นศัตรู แล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อการฝึกฝนอบรมตนในเรื่องนี้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วความตายมันไม่น่ากลัวแต่ที่เราเห็นคนหลายคนตายทุกทรมาเนี่ยเพราะว่าความกลัวตายต่างหากทำให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฤทธิ์ดเดชของความตาย นี่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าความตายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาจริงคือความกลัวตายเนี่ยการที่จะมาจัดการความกลัวตายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนกลัวตายเพราะว่าเขาเจอความตายเนี่ยมันทุรนทุรายเวลาใกล้ตายแต่ถ้าเราได้เห็นว่าหลายคนจำนวนไม่น้อยก็ตายอย่างสงบและ ประสบการณอุตมาแล้วก็คนที่ทำ ง, งานเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นเหมือนกันว่าไอการที่ตายสงบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแม่ชีไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นคนธรรมดาห่างวัดไกลวัดเด็กอายุสิบขวบสามสี่ขวบหรือว่าคนที่เคยเป็นโจรผู้ร้ายมาก่อน ผนที่เป็นมะเร็งก็ดีเป็นเอกก็ดีก็สามารถตายสงบได้อาตมาอยากจะพูดว่าการตายสงบเนี่ยเป็นสิทธิของทุกคนเป็นสิทธิของทุกคนคนเหล่า น, นี้ในที่นี้เนี่ยมีสิทธิ์ตายสงบได้กันทั้งนั้นแต่ ว, ว่าแต่กายตายสงบเลยนะั้นแม้กระทั่งการบารรลุธรรมเนี่ยพระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยอริยลูกุตระธรรมเนี่ยเป็นทรัพประจําตัวของทุกคน หมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิที่จะบรรลุธรรมได้นัาประสากับการตายสงบนะสิทธิที่นี้เป็นของเราทุกคนแต่ว่าสิทธิที่มันมาเพราบหน้าที่เราจะมีสิทธิที่ตายสงบได้เนี่ยก็ต้องทาหน้าที่หน้าที่ต่อความตายในที่ต่อความตายคือว่าอย่างแรกคือ ตระหนักว่าความตายเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนั่นทะี่เป็นข้อแรกเลยนะถ้าเราตระหนาความตายเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ได้ข้อหนึ่งแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะอยู่ข้าฟ้านะธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะอยู่อย่างย่างยืนไปชั่วนิรันดร การที่ธรรมชาติเนี่ยทุกส่วนเนี่ยเขารู้ว่าเ้ามีหน้าที่ตายเนี่ยมันทําให้ธรรมชาติเนี่ยหมุนเวียนได้อย่างปกติสุขตัวเราเองเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมชาติ ย, อย่อยๆเนะี่ยเป็นระบบธรรมชาติน้อยๆเนี่ยนะที่ราบลื่นที่อย้อนได้อย่างลาบลื่นไปปกติคือไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยเพราะว่าชีวิตน้อยๆในร่างกายเราเนี่ย เขาทำหน้าที่นี้คือหน้าที่ที่จะตายทุกขณะเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยมีเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยตายเนี่ยเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยล้านเซลล์วันนึงเนี่ยตายประมาณห้าหมื่นแสนล้านเซลล์ในร่างกายเรามีเซลล์ประมาณล้านล้านเซลล์นะห้าหมื่นแสนล้านเซลล์เนี่ยตายทุกวันตายเพื่ออะไรตายเพื่อเรามีสุขภาพปกติ เพราะถ้าไม่ตายเนี ain, ่ยนะมีเรื่องเกิดปัญหามันมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ยอมตายนันทางการแพเรียกว่าให้สมญาณนะว่าเซลล์อมตะรู้จักเซล์อมตะไหมเซลอมตะคือเซล์ี่ดื้อเซลล์ที่ไม่ยอมตายทางการแพท์เรียกว่าเซลล์มะเร็เซลล์เ็งเนี่ยคือเซลล์ที่ไม่ยอมตายที่มันจะขยายตัวไปเรื่อยายตัวเรื่ายตัวไปเรื่อยๆนะยิ่งเท่าไหร่ทำลายเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตาย ฉีดนะเคมสายแสงแล้วก็ไม่ยอมตายไอ้ตรงนี้อ้ที่ทำให้เรากลัวกันนะไอ้ที่เจ็บปวยกันมากมายเนี่ยไม่เพราะมันมันมีเซลล์ที่ไม่ยอมทำหน้าที่คือไม่ยอมตายแต่ตามมาที่เซลล์ในร่างการมันทำหน้าที่นะหน้าที่ที่จะตายนะเราก็ยังอยู่ได้นะเราก็จะยังมีสุขภาพปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สิงที่เราควรจะกลัวมากกว่าเนี่ยไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวแต่กลัวการไม่ตายนะถ้าเราไม่ตายเนี่ยลูกหลานเราจะเอามเราตกแต่ไหนที่ดินน่ะบ้านน่ะรถยนต์น่ะนะถ้าพู้จัดการไม่ตายแล้วรุกน้องจะได้เป็นพู้จการได้ยังไงถ้านายกคนนี้อายุไม่ตายเนี่ยนะแล้วคุณจะเป็นนายอายุได้ยังไงใช่ไหมคือนมันมันมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ป น, ม, น, ปนมันเป็นหน้าที่นะ มันเป็นหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่ที่เราเปิดโอกาสให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้ามาใช้ทรัพยากรดีหรือว่ามีโอกาสเช่นเดียวกับเรานะที่เราอยู่สุขสบายนี่ก็พ่อแม่เนี่ยเขาตายเพื่อให้เราได้อยู่เพื่อให้เราได้ได้ได้เป็นเจ้าของนะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องให้โอกาสกับอนุชนรุ่นหลังต่อไป นี่คือความหมายหนึ่งนะงว่าเป็นหน้าที่เรามีหน้าที่ที่ต้องตายแต่ถ้าเราไม่ยอมตายเนี่ยแสดงว่าเราบิดพิ้วหน้าที่นี้แล้วถ้าพอเราบิดพิ้วหน้าที่นี้นะสิทนะธิที่จะตายสมบเราก็ไม่ได้นั่นคือเวลาที่เราจะตายนะก็พร้อมรับความตายคือเป็นหน้าที่เราไม่ดิ้นรนไม่ดื้อรั้นนะแต่ตราตใที่ไม่ตายนะยังยังอยู่ได้เราก็พยายามอยู่ไปเรื่อยๆนะเพื่อทําความดีเพื่อทำความดีให้กับนิชชนรุ่นหลัง เพื่อใช้โอกาสที่เรามีลมหายใจเนี่ยเข้าถึงประโยชน์สูง ข, ของความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นชาวพุทธคือการได้เข้าถึงพระนิพพานแต่เจ้าถึงจะต้องถึงเมื่ไรต้องตายยุติเพื่พร้อมนิพพานชาตินีาาน้ไม่ได้ก็ชาตินหน้าก็แล้วกับนะไปไปทำใหม่ประการที่สอนเนี่ยหน้าที่ต่อความตายคือการเตรียมพร้อมที่จะตายไม่ใช่รู้ว่าเออฉันมีหน้าที่ต้องตายแล้วแต่ว่าไม่เตรียมไม่พร้อมเลย การเตรียมพร้อมที่จะตายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญตเตรียมพร้อมก็คเตรียมตัวและเตรียมใจถ้าไทยดีก็ต้องเตรียมลูกเตรียมหลานด้วยก็จะได้มาไม่ไม่มาร้องหน่งร้องไห้ตอนที่เราเนี่ยตายทําให้เราคอยซอกค้อยเศร้าหมองทําให้เราตายไม่ได้อามาคนเมื่อกีตายแล้วนะก็มีอยู่ห้องไอซียูลูกชายลูกสาว ก็มายืนอยู่ข้างเตียงเพื่อดูจิตเป็นขั้นสุดท้ายอยู่ดีๆลูกชายคนโตเนี่ยซึ่งเป็นที่รักโปรดปรานของอา ม, ม่าก็ร้องไห้รากว่ า, า, าสัญญาณชี้ของอา ม, ม่าในที่กําลังจะตกลงไปอย่างสงบนพรวดขึ้นมาแลงพุ่งขึ้นมานอา ม, ม่าตายไม่ได้แนละ้ว เ, เพราะว่าเห็นลูกชาย ร, ร้องหอบร้องไห้ เกิดความอะไรเอาวรแต่ถ้าแต่ว่าทำใจไม่ได้ก็ตายไ ม, ม่สงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเราก็คงจะได้พูดคุยกันในวันนี้ด้วยคนเราเนี่ยนะเราเราจะนึกถึงแต่ว่า ใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อบรรลุจุดหมายอย่างเดียวคงไม่พอหลายคนมีจุดหมายชีวิตโดยพ่อที่เป็นหมื่นเป็นสาวเนี่ยมีจุดหมายชีวิตที่ต้องไปให้ถึงนะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าชีวิตเราก็มีปลายทางด้วยอย่าสนใจแ ต, แต่อย่าสนใจแต่จุดหมายชีวิตจนลืมปลายทางชีวิตจุดหมายกับปลายทางบางทีมันคนละจุดนะ มันไม่เหมือนกันนะจุดหมายชีวิตเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่ได้เป็นเศรษฐีเป็นซีอ CEO บริษัทที่ยิ่งใหญ่หรือว่าสร้างสรรผลงานที่เป็นเลิศในทางศิลปะแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องเลยนะปลายทางชื่วเราทุกคนเนี่ยคือความตาย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่คิดถึงแต่จดหมายหรือดิ่ล่ไปให้ถึงจดหมายชีวิตอย่างเดียวต้องเตรียมตัวสําหรับปลายทางชีวิตด้วยและถ้าหากว่าปลายทางชีวิตของเราเนี่ยถาหกว่าจะเป็นปลายทางที่เป็ประสงค์เนี่ยก็มักจะนเป็นคนการตายดีตายสงบและการตายดีตายสงบเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนทําได้นะหากว่าใส่ใจหากว่ามีเวลาแตต้องเริ่มต้นจากการที่เราไม่กลัวตายก่อนเรากล้าที่จะเพ่งพิงพนิความตายแล้วกล้าที่จะศึกษาพูดคุยเรื่องความตายนะเรากล้าที่จะทําความเข้าใจเรื่องความตายเรากล้าที่จะมองความตายเป็นแบบฝึกหัดที่จะฝึกฝนเรานะถึงที่สุดแล้วความตายเนี่ย นะมันเป็นเหมือนกับบททดสอบนะเป็นบททดสอบสุดท้ายแรืวาเป็นการสอบไล่กันไนดะ้คนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งนะคือหน้าที่เรียนวิชาชีวิตวิชาชีวิตที่ไม่ได้สอนตามโรงเรียนไม่ได้สอนตามมหาวิทยาลัยแต่ว่าเรา เรามีลมหายใจเพื่อจะเรียนวิชานี้ให้สำเร็จและวิชานี้เนี่ยก็เหมือนกับวิชาทั้งหลายก็คือมันมีการสอบไล่ความตายคือการสอบไล่เพื่อจะทดสอบว่าเราเนี่ยเรียนรู้วิชาชีวิตมาแค่ไหนบางคนเรียนปริญญาเอกแต่ไม่เรียนวิชาชีวิตเลยพอจะตายเนี่ยก็สอบตก ถ็คือทุรนทุรายก่อนตายแล้วพอตายเสร็จก็ไปอบายสอบไล่เนี่ยในทางโลกนะวิชาทางโลกเนี่ยสอบตกก็สอบซ่อมได้ใช่ไหมสอบสัมภาษณ์สอบไม่ได้ก็สอบใหม่ได้สอบหมทุนลายสอบไม่ได้เอาสอบใหม่สอบจนได้แต่ว่าสอบไล่ของวิชาชีวิตนะ ตกก็ตกเลยนะคืปอปลาบายเลยไม่มีสิทธิ์แก่ตัวและสอบไล่วิชานี้เนี่ยไม่บอกเวลานะว่าจะสอบเมื่อไหร่นะสอบซ่อมสอบเอ r a n c e สอบสมัครงานสอบมิ d เท r m มเรารู้ล่วงหน้าว่าสอบเมื่อไหร่แล้วเราก็อาจจะเที่ยวเต็มสักพักพอใกล้วันสอบสามวันเราก็ค่อยมาติวกันเข้ม ใช่ไหมบางคนสอบถามในวิธีนี้ก็ไปติวออกมาสุดท้ายนี่แหละแต่สอบวิชาชีวิตนี่คุณทํานั้นไม่ได้นะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณสอบคือจะสอบไล่เมื่อไหร่อาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาจะถามว่าเราเตรียมพร้อมหรือยังถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยน่าขูัหน้าห่วงนะ ภาษิที่เบบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อเด็กไปคิดว่ามีชาติหน้าหลังวันพรุ่งนี้นะสำหรับบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้วันนี้ทั่วโลกในประมาณแสหนห้าห่นคนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เราเป็นหนึ่งในแสนห้าหรือเปล่าสองปีก่อนเนี่ยอบรมเนี่ยเป็นมีความตายเนี่ยทํากิจกรรมอยู่ดีๆนะมีคนหนึงหัวใจวายล้มลงมาแรงคาร์ตอนแรกก็เป็นลมที่ไหนได้หัวงใจหยุดเต้เนไปแล้วต้องปั๊กันหน้าดูเลยคนระึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วไปส่งโรงพยาบาลได้อาตมาที่งานสมมตทิศเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกำลังพูดอยู่เลยนะว่าเนี่ยคนเรานี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ อย่ไปคิดว่าคืนนี้อาจจะตายนะเพอเพอเนี่ยชั่วโมงนี้ชั่วโงหน้าก็อาจจะตายแล้วก็ได้พูดจบก็มีคนเป็นลมอยู่นะนี่เป็นลมนธรรมดานะหัวใจหยุเต้นฟุบไ ป, เ, ปเลยบรรยายอใช่ยังไม่จบเลยสาธุทัยดูซนะละเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคอยเตรียมตัวอยู่เสมอนะทีชาชีวิตเขาต้องเขต้องสอบไล่ เราต้องพร้อมจะสอบไล่ไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ตามนะก็เอาขอเอาเราพังบนทเท่านี้ก่อนแนละ้วก็